สองจสองชาวพุทธต้องสร้างกรรมใหม่ที่ดีไม่ใช่ไปแก้กรรมเก่าวงเล็บเปิดหนึ่งก้ามีนาคมสอพันห้าร้อเอ็ดในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสิบสาวงเล็บปิดกรรมเก่านี้ไม่ได้ชาวพุทธไม่แก้กรรมเก่านะชาวพุทธทํากรรมใหม่ที่ดีกรรมเก่าเนะี่ะส่งผลให้เราได้เจอกับปรากฏการณ์ที่ดีบ้างที่เลวบ้างเวลากรรมเก่าให้ผลไม่ดีมากเราเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีหน้าที่เราไม่ใช่ไปแก้กรรมเก่า หน้าที่เราคือทำกรรมใหม่ที่ดีคือมีสติเอาไว้เช่นคนเข้ามาด่าเราเอากุศลให้ผลนะถูกดา่าทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้ทำอะไรเขาบางทีเขาด่าเอาเฉยๆอย่างนั้นอากุศลให้ผลเราก็ไม่ต้องไปโมโหโทโสเรามีสติรู้จิตใจของเราลงปัจจุบันเราทำกรรมใหม่ที่ดีไปกรรมใหม่ที่ดีนี่มีผลมากนะค่อยๆฝึกไปวงเล็บเปิด 2. 10ิมีนาคม2551นในวงเล็บสอง จ, จนาที28วงเล็บปิดเราเรียนเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อบังคับให้มันได้จิตใจเนี่ยคล้ายๆกับเด็กยิ่งเราพยายามบังคับเด็กยิ่งเครียดเราต้องปล่อยให้เด็กมันโซนไปนะจิตใจเราเหมือนเด็กเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็โหดหูเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเราคอยตามดูเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราตามดูโดยเราไม่เข้าไปแทรกแซงนะเราจะไม่ทุกข์ไปกับมันหรอกจิตใจจะค่อยๆคลายออกจากความทุกข์ไปเรื่อยๆ เวลาพูดด้วยคําพูดอย่างนี้ฟังแล้วเชื่ อ, อยากนะแต่ลองทดลองดูก่อนคอยรู้ทานความรู้สึกของตัวเองเป็นระยะระยะรู้ไปเรื่อยๆรู้เป็นระยะระยะไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะรู้เป็นระยะระยะยังมันโมโหขึ้นมาแล้วรูวมม้ว่าโมโหมาดีใจแล้วรู้ว่าดีใจคอยรู้เป็นระยะไปเนี่ยสักเดือนหนึ่งโยมจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเคยเป็นคนเครียดจัดก็จะเครียดน้อยลงนะนอนไม่หลับก็ชักจะนอนเก่งเกินไป มันจะมีความสุขความสงบมากขึ้นเราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเห็นได้คนรอบข้างก็รู้สึกได้แต่วิบากเนี่ยนะเป็นผลของกรรมที่เราทําเอาไว้ในอดีตแล้วหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมุติอยู่ๆคุณก็เดินไปโชคเสาเปรี้ยงเลยโชคเต็มเหนียวเลยใช่ไหมคุณจะต้องเจ็บมือถึงอย่างไรคุณก็ต้องเจ็บเพราะฉะนั้นวิบากเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้หน้าที่ของเราคือทากรรมใหม่ที่ดีเอาไว้เช่นเราไปทํากรรมไม่ดี มีวิบากให้เราต้องเผชิญกับคนไม่ดีเยอะแยะเลยหน้าที่ของเราคือทํากรรมใหม่ที่ดีคือเจริญสติเอาไว้เจริญเมตตาเอาไว้เขาว่ามาเราก็ใจเย็นๆเอาไว้วิบากมันจะค่อยๆหมดไปวิบากหมดเพราะเราใช้นี่มันไปแล้วนะไม่ใช่เพราะเราไปแก้มันอย่างเราชกเสาเปรี้ยงไปอย่างไรก็ต้องเจ็บมือเจ็บมือนี่ห้ามไม่ได้ใช่ไหมเจ็บมือแล้วโมโหตัวเองอีกเสือกไปชกทําไมเลยชกซ้ําไปอีกที คนส่วนใหญ่มันจะทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรารู้นะเรารู้แต่ไม่ไปดัดแปลงไม่ไปแก้ไขรู้อย่างที่เขาเป็นรู้แล้วก็ฝึกจิตฝึกใจของเราลงปัจจุบันรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆจิตใจเราจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมาอย่างเราเคยทำอกุศลไม่ดีเราเป็นคนนิสัยไม่ดีไม่ต้องชาติก่อนหรอกชาตินี้แหละสมมติว่าเราเป็นคนเกลี้ยกล่ว่าคนโน้นว่าคนนี้ไปเรื่อยวิบากมันก็มี คือเขาเกลียดเราเขาเกลียดเราแล้วเราจะไปแก้วิบากเธออย่ากเกลียดฉันเลยนี่ทำไม่ได้หน้าที่เราคือทำกรรมใหม่ให้ดีต่อไปนี้เราไม่ไปว่าเขาแล้วเราก็ดีกับทุกคนกรรมใหม่ที่ดีมันจะส่งผลทำให้เขาค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวพุทธต้องทำนะก็คือกรรมใหม่ไม่ใช่ไปแก้กรรมเก่าสร้างกรรมใหม่ที่ดีกรรมเก่าแก้ไม่ได้นะเหมือนหัวแตกไปแล้วจะทาให้หัวไม่แตกเนี่ยไม่ได้